เมื่อ <c oughs> วานเราขึ้นมาเรานั่งภาวนาก่อนใช่ไหมนะวันนี้เราเรามาสวดก่อนแต่เวลาสวดก็เท่าเดิมเวลานั่งภาวนา อาจจะเกือบเท่าเดิมจะเวลาเลิกเท่าเดิมอะเวลาเลิกเท่าเดิมเท่าไหร่สี่ทุ่มใช่ไหมเวลาเลิกเท่าเดิมสี่ทุ่มโอวันนี้นั่งภาวนามารธทนยาวเหยียดเลยไหวไหมโอ้อะไหวไหมนั่งภาวนามารธทนยาวเหยียดเลยทําไม่มีทั้งสองอันเนี่ย นี่น้น<ะ>องเขียนจับเกิดดานสี่ทุ่มเกิดดานสี่ทุ่มเราไม่ช่วงนั่งภาวนา น, นานๆเนี่ยดีได้ต่อสู้ทำอะไรถ้าเราไม่ได้ต่อสู้ มันเหมือนมันไม่ได้ออกแรงแเราจะไปชนะอะไรเราทำงานทำการถ้าเราไม่สู้มันก็ไม่พอจะได้อะไรเมื่อเช้านี้เราพูดถึงความอดความทน ความอดความทนมันเป็นวิธีการที่เราต้องต่อสู้กับงานที่เราต้องทําดูแต่เราอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสเนี่ยแหะเราต้องต่อสู้ไหมการที่เราต้องต่อสู้นั่นแหละเราต้องใช้แรงคือความอดความทน บางครั้งผลของวิบากกรรมให้เราได้รับความทุกข์ความลําบากเราไม่ทราบว่ากรรมอะไรน้อบันดาลให้เราทุกอย่างลําบากเหลือเกินพอมันมีขึ้นมาแล้วเราต้องอดต้องทนบางคนไม่อดไม่ทนก็ไปสอบหาวิธีแก้ปัญหาด้วยเหตุที่เรนะ้อน มืดบอดด้วยสติด้วยปัญญาอยู่แล้วเราเราไปแก้ผิดผิดอีกยิ่งตั้งใจจะแก้ยิ่งใช้เรียวแรงแก้ยิ่งเหมือนกับเรายิ่งมัดเข้าไปอีกทีแรกสองรอบสามรอบเรายิ่งแก้เข้าไปแต่ด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจปัญหาแจ่มแจ้งชัดเจนกลายเป็นการยิ่งมัดยิ่งมัดยิ่งมัดเราดูแต่เขามัดคอตัวเองตายนั่นแนหะ แ, แก้ปัญหาถูกไหมแก้ปัญหาไม่ถูกแก้ปัญหาผิดผิดยังไงแก้ปัญหาผิดที่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุนี่เราพูดมาหลายครั้งแล้วความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาจากเหตุแต่เราไปดับตัวผลดับตัวผลดับตัวผลมันไม่ใช่ไปดับที่เหตุ ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปรกแล้วนะมันจะหมดไปที่ไหนมันเป็นการไปสร้างสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกไม่จบในสิน้นเมื่อกี้เราก็ทำทวัดสวดมนต์การทำทวัดสวดมนต์ตอนเช้าเมื่อก็เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้า ตอนค่ำเมื่อเราเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนค่ำสมัยพุทธกาลนั้นตอนเช้าเขาก็มีมอดอกไม้ธูกเทียนไปกราบพระพุทธเจ้าลังไงกันเข้าไปกราบเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนธรรมได้เวลาก็กลับตอนค่าก็ลังไงกันเข้าไปเป็นการไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนค่ำ มีของหอมดอกไม้ทูบเทียนไปกราบพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องสักการะการไปกราบการไปกราบพระองค์นำเครื่องสักการะเหล่านั้นไปกราบไปไหว้เป็นอามิตบูชาแต่ในขณะเดียวกันเขาได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดเผยสภาวะธรรมในโลกให้ปรากฏในโลก สภาวะธรรมที่โรองส่องเปิดเผยก็คืออ น, นิจจังทุกครั้งนักตาซึ่งเราพูดสามซ่ามาแล้วอ น, นิจจังทุกครั้งนักตาเป็นสภาวะธรรมที่ซ่อนเร้นอยู่กับวัตถุธาตุกับนามธาตุที่อยู่รอบข้างตัวเราใกล้เข้ามาคือกายของเราใกล้เข้ามาคือจิตของเรา เป็นสภาวะธรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ในนี้เราดูไม่เห็นเราตามัวปัญญาเรามืดมัวเราดูไม่เห็นปัญญาของเราสว่างไม่พอน้ำใจของเรามันขุ่นเกินไปมองไม่เห็นไม่เห็นเงื่อนแก้ปัญหา เรามันรู้จะไปแก้อะไรเพราะมันมองไม่เห็นก็เหมือนอย่างที่ว่ากันอ่ะเหตุอย่างหนึง่งเกิดขึ้นแต่เราไปว่าอีกเหตุอย่างหนึง่งเหตุอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่เราไปว่าอีกเหตุอย่างหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยี่ปุถุชนเราก็อชอบสุ่งเดารู้รู้ไปโยของขนี่คาดคาดเ ด, ดาเดาแต่ก็เชื่อเอาคาดคาดเดาวๆาวแล้วก็เชื่อเอาทั้งทั้ที่เชื่อเอาอยู่ ใช้กิริยาชี้ชัดลงไปว่าเจ้าของเจ้าของรู้เจ้าของเห็นอยู่แต่ไม่แน่ใจแ น, น่ยคือการกลา้าเพราะมันไม่มีประจักษ์พยานให้เป็นเครื่องประจักษ์พยานว่าเรารู้เราเห็นจริงจังไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้เห็นหลักสักยธรรมที่แท้จริงส ภ, สภาวะธรรมที่มันซ่อนเร้นอยู่เม้แต่เราได้ยินได้ฟังเราเพียงแต่ได้กรี๊หมายป้ายทางเรายังไม่เห็น ด้วยสติของเราด้วยปัญญาของเราด้วยปัญญาญานของเราเราจึงถอนทุกไม่ได้ถอนทุกคือถอนเหตุให้เกิดทุกจากการที่เรามายึดกายยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณยึดปัญจขันคือขันทั้งหถอนไม่ได้เพราะเราเห็นอย่างไม่จริงเห็นอย่างไม่ชัด เห็นยังไม่ชัดแจ้งเจนแจ่มแจ้ ง, จ ง, จงชัดเจนเห็นหลังๆก็คือเห็นยังไม่ชัดนั่นเองขัดสีไปจนจิตของเราได้รับความสนุกปัญญาของเราถึงพร้อมมีความรู้มีความสว่างสวัยเต็มที่เห็นชัดเจนข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเบื้องล่างเบื้องบนเห็นรอบทิศทางไปหมด โอ้ชัดเจนตอนนี้ปักใจเชื่อเต็มร้อยนี่สัจธรรมตัวนี้สัจธรรมตัวนี้เยมันเป็นสัจธรรมที่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ท่านนำมาเปิดเผยสภาวะธรรมตัวนี้เป็นสภาวะธรรมที่พระองค์ทรงมาเปิดเผยเพอเปิดเผยขึ้นมาปั๊บทำให้พระองค์หลุดพ้นจากกรงไข่ของวิตติสงสาร โอ้เราสั ก, กเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังทุกอย่างทุกเรื่องกัดไม่ได้สกักอย่างเกณฑ์ไม่ได้สกักอย่างกะเกณฑ์ไม่ได้สกักอย่างเพราะฉะนั้นความทุกข์มันจึงไม่หมดไปความทุกข์จึงไม่หมดไปแม้แต่จิตที่สงบเหมือนที่พรองทรงไปศึกษากับอาลารณดาบทสมาบัติที่เจไปศึกษาต่อที่อุทกกระาบทสมาบัติที่แป มันยังไม่เห็นชัดเจนไม่ได้เป็นที่ระจับชัดเจนในหัวใจของตัวเองยังมองไม่เห็นโทษเต็มที่แท้ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้พ e ้นโทษไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ยังเป็นอัตตายังเป็นตัวตนอยู่นั้นแหละพยายามบีบบังคับให้เป็นไปตามใจหวังอันนั้นก็อยากให้เป็นไปตามใจหวังอันนี้ก็อยากให้เป็นไปตามใจหวังอยากให้เที่ยงอยากให้มั่นคง อย่าให้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองนะยังมีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยวรั้งอยู่ออกไม่ได้ลอยได้ไม่หมดสวาไม่หมดเรามาเทียบดูว่าสภาวะธรรมละเอียดลึกซึ้งถึงขนาดนี้ใครสามารถจะเอาออกได้ถ้าไม่ใช่วิสัยของผู้ที่สร้างบุญสร้างบา ร, รมีมาเต็มเปลี่ยงมีกำลังเพียงพอเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไม่มี วิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้เองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเปิดเผยสภาวะธรรมขึ้นมาเองนอกกนั้นเห็นแต่เป็นแต่เพียงเห็นแต่เปลือกที่มันล้อมกรอบอยู่นั่นเป็นกรงขังเป็นกรงข่าของอภิชาตนาวปาทานเหมือนกับเปลือกไข่ที่มันล้อมรอบอยู่เหมือนกับเปลือกไข่ไข่ที่ล้อมรอบอยู่ เพราะฉะนั้นพระรูปเจ้าท่านสิงทรงเปลียน ว, ว่าพระองค์เนะี่ยเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะ ก, กระเปาะไข่หรือเปลือกไข่ออกมาเป็นตัวแรกเจาะตรงนี้เลยเจาะอัดตาอัดตาท่านี้เลยเจาะทะลุทะลวงออกมาได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงพูดได้เต็มปากว่าอนัตตาอนัตตาโอ้โหไปเกิดขึ้นทํากลางาศาสนาพราะแบบนี้อีก สมัยนั้นศาสนาพราหมณ์เขาเรื่องอำนาจมากนิพพานของเขาก็คืออัตตาอัตตาอัตตารุปติจารพยายามไปทรมานหมดบำเพ็ญทุกกรกิริยาทุกรูปแบบไปบำเพ็ญมาหมดไปทําใจให้ได้รับความสงบหรือละเอียดถึงขั้นรูปปสมาบัติอรูปปสมาบัติมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ในนั้นะ ย, ยังดึงออกไม่ได้ก็เพราะ มันปล่อยไม่หมดนี่เองยังยึดอันนั้นอยู่ยังยึด น, นี้อยู่ยึดก็คือบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองอัตราตัวตนมันโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นทิฏฐิมนานะก็ยังมีอยู่ความทุกข์ในหัวใจก็ยังมีอยู่ทําไมความทุกข์จึงไม่หมดทําไมความทุกข์จึงไม่หมดอือาจารย์บอกว่าเธอถึงจุดสูงสุดแล้วต่อไปขอมอบให้เธอช่วยดูแลสัมนักพระองค์ไม่ยอมรับ แต่ทำไมยังมีทุกข์อยู่อาจารย์ก็ตอบไม่ได้แต่ทำไมหนุ่ใจยังมีความทุกข์อยู่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ขอลาจากอาจารย์าารยไปบปําเพ็ญไปสอบอีกไปแสวงอีกเกิดความรู้สึกว่ายังไม่ถึงจุดจบยังไม่ถึงที่พอยังไม่ถึงที่อิ่มที่พอไปสอบไปแสวงหาอีกไปบปําเพ็ญทุกรูปแบบที่ก็บอกว่าทรมานย่างกาย ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเท่าไหร่ก็ทุกข์เดือดร้อนเปล่าๆไม่เห็นมีอะไรทุกข์เท่าเดิมหัวใจยังทุกข์เท่าเดิมเพราะอะไรปล่อยไม่ได้ปล่อยอัตตาตัวตนไม่ได้ยินดีก็ยึดยินร้ายก็ยึดนอกจากยึดแล้วก็คําว่ายึดก็คือไปกักไปเกียนในขณะเดียวกันคิดบังคับบัญชาปไปตามใจหังของตัวเองเราจําข้อนี้ได้ เราก็หัดเอามาพินพิจารณาโอ้อันนก็ยึดไม่ได้อันนี้ก็ยึดไม่ได้ท่านจึงให้ปล่อยคาว่าปล่อยต้องรู้รู้ปลดรู้เปลื้องรู้ปล่อยการรู้จักปลดรู้จักเปลื้องรู้จักปล่อยเขาเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันตราบใดที่เรายังปล่อยให้อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาพลังของตัณหา มันก็มีพลังที่จะมาสวมรอยให้เรายึดให้เราถืออยู่นั้นการยึดถือทางนี้เนี่ยมันละเอียดมากการยึดถือทานี้มันละเอียดมากมมการยึดถือกับการสําคัญการสําคัญคือการยึดเอาถือเอาการสําคัญก็คือการยึดเอาถือเอา การสำคัญเอาการสำคัญก็คือการบังคับให้เป็นไปนตามใจหวังของตัวเองมีความสำคัญผิดจิตยังไม่ได้เข้าไปรู้ไปเห็นตามสภาวะที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเราดูการยึดมั่นถือมั่นแปดเก้าำดับขั้นแปดเก้าำดับขั้น ความสําคัญมั่นหมายคือความยึดความถือเนะี่ยมีความสําคัญความสําคัญก็คือการยังยกตัวอยู่ยังไม่มีปล่อยรู้แล้วก็ยึดรู้แล้วก็ยึดรู้แล้วก็ยึดแต่ธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทตั้งแต่ต่ําๆไปจนถึงสูงสุดรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยแต่ภาวะตรงข้าม ที่ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้รู้เรายึดรู้เรายึดรู้เรายึดที่เรียกว่ายึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาดูแต่ดูแต่ท่านบอกว่ามานะการถือตัวการถือตัวคือการยึดเอาถือเอาเราไปดูในมานะเก้ามานะเก้าก็คือการสําคัญมั่นหมายแล้วก็ยึดเอาถือเอา มานับตัวนี้แปลว่าการยึดเอาถือเอาการสำคัญมั่นหมายเอาสามอย่างแต่หมุนไปอย่างละสามอย่างละสามสำคัญว่าตัวเองตัวเองดีกว่าเขายังสำคัญว่าดีกว่าเขานี่คือยังไม่ใช่ความสำคัญก็คือมั่นหมายว่าเจ้าของมีเจ้าของเป็นมันยังมีอัตราอยู่ในนั้นหละคือยังปล่อยมาได้ ยังเป็นเราเป็นเราเป็นเราอู้เราได้โ อ, being, โอเรามีเราเป็นนั่นตัวนั้นมันปล่อยไม่ได้เราดีกว่าเขาอย่างสำคัญว่าเราดีกว่าเขานอกจากนั้นมันพาให้สำคัญผิดไปเราดีกว่าเขาแต่สำคัญว่าเราเสมอเขาก็ยังไม่ใช่เราดีกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขานี่เห็นมมันตรงกับความจริงสักอย่างไหมไม่ตรงกับความจริงสักอย่าง เพราะความสำคัญมั่นหมายนี่เขเรียกว่า mana นะถือเอาถือเอาคือมันไม่อยอมปล่อยเช่นอย่างความรู้เรามีแค่นี้เราก็ยึดเอาเอาเราไปเทียบกับคนนั้นเอ๊ะคนนั้นน่าจะต่ากว่าเราโคนนั้นนาจะสูงกว่าเราเทียบอยู่นั้นแหละไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยภูมิที่จะของมีที่จะของเป็นเนี่ยไม่ได้ปล่อยปล่อยไม่ได้ตัวนี้เองคืออะไรมันไปพายุดอัตาตัวตนมันพายุด อัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นมันผ่ายึดมานะทิฐิมันผ่ายึดปล่อยไม่ได้วางไม่ได้กะเกณเอาบังคับบัญจาเอาอยางนั่นแหละอันนี้คือรอบแรกดีกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาก็ผิดดีกว่าเขาสาคัญว่าเสมอเขาก็ผิดดีกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขานี่ก็ผิดรอบที่สองตัวเสมอเขาแต่สาคัญว่าดีกว่าเขา ตัวเสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขานี่คือจิ่งผิดเข้าไปอีกนี่คือสําคัญผิดเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะไม่ยอมปล่อยมันเลยมีขีดมีขั้นมีมากมีน้อยอยู่นั่นเลยไม่มีปล่อยไอ้ตัวที่ไม่ปล่อยคือตัวอัตตาตัวนั้นเลยมันไม่ใช่อนัตตามันไม่ใช่อนัตตามันจับ มันเกาะมันกลมอยู่นั้นปล่อยไม่ได้ปล่อยเหมือนกเราจะหลุดไม้หลุดมือไปเพราะฉะนั้นฌานสมาบัติรูปสมาบัติอรูปสมาบัติที่เขาบำเพ็ญได้เหล่านั้นเขายึดแล้วเกินโอ้เราได้ถึงขั้นนี้ถึงขั้นนี้ถึงขั้น น, น, นี้ไม่ยอมปล่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปิดเผยสภาวะธรรมตัวทละเอียดขึ้นไปมากกว่านั้นปล่อยไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ละเอียดไม่พอละเอียดไม่พอ อันนี้รอบที่สองรอบที่สามตัวเองเลีวกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาเรียวกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเรีวกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาเรีวกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาเลีวกว่าเขาสําคัญว่าเลีวกว่าเขาเรามาเทียบดูมานะทั้งเก้านี่อ่าโน้นมันตามเราไปจนถึงโค้งสุดท้ายอราตมันั่นแหะพระปล่อยได้เก้าไปพับอรัตผลละเอียดไหม ตัวละเอียดไหมมันละเอียดไปตามภูมิภูมิชั้นของธรรมะของเราที่มีอยู่ในหัวใจของเรา น, นี้เรายกเรายกประเด็นมามาเล่าให้ฟังว่าด้วยเหตุที่เราปล่อยไม่ได้นี่เองแสดงว่าตัณหามันยังมีอยู่ในนั้นมันยังเต็มแปรง อ, อยู่ในนั้นปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงอุบัติมาท่ามกลางาศาสนาพราหมณ์ที่ปล่อยไม่ได้ ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ยึดอยู่นั่นนะ่ะนะรู้แล้วก็ยึดรู้แล้วก็ยึดรู้แล้วก็ยึดไม่ยอมปล่อยแต่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าใดๆก็ตามรู้ขึ้นมาแล้วับปล่อยรู้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยรู้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อ ย, รออยเรามาดูอริยสัจทั้งสี่ทุกสุโไทัยนี่รมุมแรงทุกเนี่ยเราก็ยึดไม่ได้เราต้องพิจารณาเหตุหาปัจจัยนะปล่อย สมุทยเรายิ่งยึดไม่ได้ยิ่งพิจารณาเห็นหน้าเห็นตาแล้วพยายามปล่อยปล่อยประละวังด้วยด้วยการวิธีการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนิโรดนิโรดคือความดับทุกได้ดับ ท, ทุกขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนดับทุกได้ขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาก็ตายนี่คืออย่าปล่อยปล่อยยังไม่หมด ยังมีการยึดได้โยงหลังจากการถือระดับขั้นโสดาก็ไปยืดสกิทาคาหลัขั้นสกิทาคาก็ไปยึดขั้นอนาคาก็ไปคลายแล้วนะยังปล่อยไม่ได้ยังมีการยืดจบเพราะฉะนั้นมาณะก้ามันถึงไปจนถึงคลองสุดท้ายจนถึงอาราตมัตพอก้าไปก้าวหนึ่งเป็นอารัตผลเก้าไปอก้าวหนึ่งเป็นอารัตผล ผลทั้งทั้งหลายทั้งปวงทิ้งหมดพอผทั้งหลายทั้งปวงทิ้งหมดนิโรธทั้งหลายทั้งปวงทุกขัน้นทุกตอนะทิ้งหมดรู้เข้าใจได้มาแล้วทิ้งรู้เข้าใจได้มาแล้วก็ทิ้งผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจทิ้งนะั้นมีผลมากมีอนิสงส์มากสามารถแวววายทะลุทะลวงไปได้เพ ร, ะเรษษาะฉะนั้นศัตธรรมทั้งสนะี่มันสามอันแรก ปล่อยทั้งหมดเลยทุกก็ปล่อยสมุทยก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยไม่ยึดยึดไม่ได้เรายึดได้อะไรเรายึดได้มรรคอย่างเดียวมรรคนี้ปล่อยไม่ได้ปล่อยมรรคแล้วไปไม่ถึงไปไม่ได้ทิ้งทางเดินไปไม่ถึงจะเนอยวห น, นูเราไปตรง น, นั้นอย่างโรกๆหนไปไม่ได้ พลอยไม่ไเส้นทางนี้เราจะต้องจับเราจะต้องแกะไปตลอดจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราจะไปพลอยไม่ได้เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ีเรายึดได้ข้อเดียวคือข้อมั่งบางคนก็พูดว่าการตั้งใจปฏิบัติธรรมไปตั้งใจให้มีตั้งใจให้เป็นเป็นไม่ได้จริงอยู่เราไปกาไปเกณฑ์แล้วไปยึดผลของธรรม ตั้งใจยึดเอาผลของทำทำไม่เกิดผลทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นจากการอบรมะของเรานั้นผลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเกิดขึ้นเองเราตั้งใจให้เป็นเป็นไม่ได้เราตั้งใจให้เกิดเกิดไม่ได้ถ้าใครเจริญไปด้วยแเราก็ใช้ความอยากตามเข้าไปด้วยคนนั้นเอาตัณหานําหน้าในเมื่อเราต้องการแสวงหาตัณหา เราเอาตันหานำหน้ามันก็ไม่พ้นว่าเราเดินตามหลังตันหาใ ต, ต, ต, ต, ต, ต้ใต้ใต้ไต้โน่นหรสิมันเรียนไหมมันฉลาดไหมเดินตามหลังมันอยู่นั้นไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นอะไรบ้างเลยเดินตามหลังมันแท้ๆเดินตามหลังมันแท้ๆเพราะฉะนั้นทิ้งขนทางไม่ได้ขนทางคือมักมักนี่ปนแปล ว, ว่าทางดําเนินเป็นข้อปฏิบัติมันราคามันราคาแปล ว, ว่าทางดําเนิน มา ก, กับปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าทางดำเนินเอโกธรมโมทางเส้นเดียวทางสายเดียวสายเดียวเลื่อวไปสู่ความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปรวมลงแล้วเป็นเอโกธรมโมถ้าเราจะไปแยกทั้งหมดคืออริยมรรคมีองค์แปอริยมรรคหนึ่งมีหนึ่งนะ เตมใ น, นันมันมีองค์ประกอบแปอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประอันนี้เป็นส่วนของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากมรรมตัวสัมมาชโย อ, อันนี้เป็นส่วนของศีลปัญญามากกว่ามอันดับอันดับสองสมาทิตามมาอันดับสามสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัมมาวายาโมเพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี่เป็นอริยามรรคมีองค์แปถ้าเราจะแยกแล้มีองค์ประกอบแปถ้าเราจะสรุปโลมัยเหลือ 3, สามศีลสมาธิปัญญาเราสรุปโลมัยเหลือหนึ่งเอกยนัมมัต ทางไปสู่หนทางอันประเสริฐมีอันเดียวอันนี้อริยมรรคโยปเปร น, นะเราไปดูสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นชอบในที่นี้คืออะไรเป้าแรกประตูแรกเลยเห็นตามหลักอริยสัจสี่นั่นแหละคือเห็นชอบตอราบใดที่ยังไม่เห็นอริยสัจสี่ยังเห็นไม่ถูกเราฟังดูแต่ ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงธรรมอนุปุปพีคาถา แสดงทําโดยลําดับขั้นแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกรรมเรื่องอนิสงส์การออกจากการมอนุพูปิกถาทั้งห้าแสดงแก่ยศคุณบุญพอจบอนุปูปิกถาทั้งหแล้วพระองค์จะต้องทรงขโมวดด้วยอริยสัจสี่เพราะหลักอริยสัจสีเป็นหลักศีจธรรมต้องขมวดด้วยหลักอริยรสัจสี อริ ย, ยสัจสีใครเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนั่นแหละคือความเห็นที่ถูกคือความเห็นที่ตรงคือความเห็นที่แท้จริงคือสภาวะธรรม ท, ที่ถูกเปิดเผยจากปัญญาของเราสมาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะดําริการดําริก็ดําริเพื่อเกิดความรู้ความเห็นนั่นเองการดำริคือความตรึกความนึกความคิดความตรีกการทํางานของสติยับยับยับยับ คือการตริ ก, การตริกการนึกการคิดแต่ในที่นี้ท่ญญานแยกว่าสัมมากัมมันตะตัสัมมากัมมันตะดําริชอบดําริชอบดํำริยังไงดําริในทางไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นอกสินนะดําริในทางไม่เบียดเบียนเช่นอย่างเราเอามาใส่ศินเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่าไม่เบียดเบียน ดําริทในการออกจากกามเราจะออกอยังไงออกจากกามดําริทในความไม่พยายบาทดําริทในความไม่พยายบาทมันดังอะไรตึบตึเหมือนกระเบิดมันดังอะไรเรากดโหมดมันน่ะก็จากลําโพ ง, งโโเห็นมันเห็นมันดังที่ไรก็เห็นมันดังขึ้นเห็นปฐุที่ไรมันดังขึ้นนะมันเป็นเพราะอะไร มันปรับอัตโนมัติเลยดําริในทางไม่เบียดเบียนดําริกออกจากกามดําริในความไม่พยายาม ค, คือการดําริดรําริคือดําริที่ใจนึกที่ใจคิดที่ใจดําริที่ใจดําริในการไม่เบียดเบียนก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทุกข์ไม่ตีสัตว์ไม่ทรมานสัตว์เรียกว่าไม่เบียดเบียน ดำเนินเทียมในทางไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่รวมถึงว่าไม่เบียดเบียนมนุษย์ไม่เบียดเบียนด้วยการงานที่เราทาคนจนเกินไปไม่เบียดเบียนเขาด้วยคําพูดใส่ร้ายป้ายสีสาดฟืนสาดไฟใส่เขาคือคําพูดหนี่ไม่เบียดเบียนดำเนินเทียมไม่เบียดเบียนคําว่าดําริในที่นี้คือนึกคิดในใจนะยังไม่ได้ออกมาข้างนอก นึกคิดภายในใจนไม่ไห้พูดออกมาข้างนอกลำดีในการออกจากกามเอตึกนึกคิดถึงเรื่องที่จะออกจากกามออกจากกามนี่จะออกได้ยังไงออกจากกามเรื่องออกจากกามนี่ก็เป็นเรื่องของพื้นฐานที่จะทําให้จิตของเราได้รับความสงบแล้วถ้าจิตของเราสงบได้นั่นหมายถึงจิตของเราออกจากกามเหมือนอย่างเราต้องจะให้ฐานตัง้งใจรักษาสิ่ง ตามหักอนุปูพีกาถาตายแล้วเราได้สวรรค์พรพุทธิจา้าทรงแสดงทานคถาศีลคถาเป็นเหตุให้ได้ให้ได้สักคาถาพูดถึงเรื่องสวรรค์สวรรค์อยู่บนนั้นก็คือที่เสวยที่เสวยความสุขอยู่บนนั้น เ, นเต็มแปร่เปด้วยการกามคุนรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์วตัุพักทิพย์ ความนึกความคิดอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องของทิพย์ทิพไปหมดนะอันนี้ส่วนของกามเท่านั้นเต็มบกเต็มใจเต็มแปร่อยู่บนนั้นแหละอยู่บนสวรรค์นะพระยาพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงโทษของสวรรค์เพราะบนสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของกาลเนะท่านั้นท่านจึงทรงแสดงโทษของกามโทษของกาลก็คือโทษของกา ร, ทการกโทษ ข, ของรูป ของเสียงโทษของกิ่นโทษของรถโทษของสัมผัสก็เหมืออย่างเรามีความรักเรามีความรักเรามีความชอบใจเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรถเรื่องสัมผัสรวมมาถึงรักเกี่ยวกับอารมณ์การารมณ์เนี้ยบุตรักบุตรักสตรีเนี้ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยคือใจมันใจมันรักใจมันชอบใจมันรักใจมันชอบชอบอะไรจะได้สมหวังมันสมหวังไม่ได้เพราะการนึกการคิดการชอบเหล่านี้มันไม่มีจิตหรือขณะใดที่จิตดวงนั้นจะไม่กระเกลียนให้สมหวังของตัวเองไม่มีผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายภายในใจที่ชอบนั้น มันต้องบังคับให้ได้บังคับให้ได้บังคับให้ได้เอาเอาแค่เราซื้อบัตรซื้อเบอร์จะทูกจะทุกจะถู ก, ถกมันพยายามจะบังคับให้ถูกนี <c oughs> ด่ดูดิมันความนึกความคิดดดโดดโดยที่ไม่มีสิ่งันนี้ไปบังคับให้ไหมบังคับไม่ได้นี่คือทตทรงการรูปเอ่ยเสียงเอ่ยกลิ่นเอ่ยวตถภัณเอ่ยธรรมารงเอ่ยปัญหาสรารพัดเรื่องราวสรารพัดที่เรากะเกนให้เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นตามใจมวัง อันนี้แหละคือความทุกข์คือกองทุกข์นี่คือความทุกข์ที่เรามองเห็นง่ายๆความทุกข์จากขันทั้งห้านี่แหละทุกข์หิวทุกข์กหายทุกข์หนาวทุกข์ร้อนทุกข์อิดทุกข์โรยทุกข์เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนูนเป็นโรคนี้สารพัดทุกข์ไหมนี่คือความทุกข์ทุกข์คือโทษของกาพุทธิจารท่านทรงมาทรงแสดงโทษของกาโดยเฉพาะวัตถุ จากนั้นทุกใจทุกกลัวได้มาทุกกลัวเสียไปทุกกลัวได้สิ่งไม่ดีมาทุกกลัวสิ่งดีๆหลุดม้า่หลุดมือไปทุกกลัวผิดหวังทุกกลัวไม่สมหวังทุกน้อยเนื้อทุกต่ําใจทุกวาดวิตกข้างหน้าข้างหลังสารพัดความทุกข์เหล่านี้มีเรามองเห็นอันนี้คือโทษของกาลรุติยะท่านทรงแสดงโทษของกาล และพระองค์จึงทรงสแสดงอันนี้สองของการออกจากกามอันนี้สองการออกจากการรมคือเอาใจเราออกจากกามบางทีเราเอากายออกจากการรมอยู่แต่จิตของเรายัางหมกมุ่นอยู่แต่ก่อเรื่องกามมันก็เท่าเดิมเพราะจิตตัวเดียวเป็นสิ่งเปิดเผยโลกนี้ให้ปรากฏเป็นสิ่งเป็นสิ่งเปิดเผยโลกนี้กับเราจิตดวงเดียวคือผูรู้เป็นจิตดวงเดียว เปิดเผยสภาวะในโลกให้เป็นที่ปรากฏชัดกแก่เราจิตเราออกจากกางจิตออกจากกางก็คือจิตไม่คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรส เ, เรื่องสัมผัสเรื่องอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงว่าอารมณ์ที่ปิดบังความสงบของเรากำลฉันทัก พยาปาทะถีนมิทะอุทะจักโกกุจักวิชกิจชาซึ่งเป็นนิวรนนิวรนเหล่านี้มันมาปิดมันมาคลุมหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกามท่านจึงให้ทาใจใสงบไม่ให้จิตของเราเป็นเรื่องรปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสสัมรสัมผัสตอนนี้เราก็ตะลอมเข้ามาได้เกี่ยวกับเรื่องของสมถะของสมถะทำใจให้สงบ จากรูปจักเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสทำยังไงรูปธรรมทั้ทงข้สอนให้เราภาวนะสมมสมมาสมถะสมถะทำอะไรคุณจะบรกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโททมทำโมทำโมทำโมหรือสังโฆสังโฆสังโฆหรือสมาดาสมม า, าดาจนใจสนุกหรือเพง่งฌานเพ่งอารมณ์ของฌานเพ่งดินเพง่งน้ำเพง่ลงลมเพง่งไฟ เพ่งความสวา่างเพ่งทำไมให้จิตมันจับอยู่กับวัตถุเหล่านั้นไม่ให้มันไป น, นึกไปคิดเรื่องกาลเพราะจิตมันอยู่กับองค์ชาญจิตสงบอยู่กับองค์ชาญหรือจิตสงบอยู่กับบทธรรมอารมณ์นั้นนั้นมันก็ทาให้จิตของเราไม่ไปเกาะสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสซึ่งเป็นอารมณ์ของกาลกาลมคุณเป็นอารมณ์ของกาลมาคุณ พอจิตพราเริ่มสง บ, บจิตก็จะเริ่มออกจากกามจิตจะเริ่มห่างจากกามเนี่ยดําริในการออกจากกามการดํารินในองค์การออกจากกามเราดูไปมันชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกบวชนี่ก็คือการดําริยออกจากกามเมื่ออย่างตระธรรมนิฐานว่าบรรดาพระราชาสมัยตะก่อนนั้นอ่ะถ้าอัมมาศคนใด เห็นเกศาหงอกแค่เส้นเดียวนั้นเธอดูเราวันไหนเธอเห็นเกศาเรางอกเราจะสละสมบัติให้เพราะรู้ว่าผมงอกแั้วนะครับว่าพญาโยมเยียนแล้วมัจยุราชมาเยียนแล้วแสดงว่ามันแก่มากแล้วผมกงอกแล้วเพราะงั้นถึงสลัดจะสมบัติให้แล้วออกจากบ้านออกจากช่องไปบำเพ็ญฌานสมบัติ ตัวขององค์ฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้จิตของเราออกออกจากอารมณ์ของรูปของเสียงของกลิ่นของรูซึ่งเป็นอารมณ์ของเกา่าไปอยู่กับองค์ที่สงบสงัดจิตของเรามีพระธรรมวชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รูปวิชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จิตออกจากกรมน้าริออกจากการมก็คือการออกบวช เป็นเหตุให้ได้ไปเจริญส ม, มถะเพื่อจิตของเราได้รับความสงุกนี่คือนี่คือสัมมาสังกปปะข้อที่สข้อที่สดํารีในการไม่พยาบาทเพราะพยาบาทนะั้นมันจองเบียยิ่งยิ่งคิดจิตใ จ, จกเ็เร่าร้ยิ่งคิดว่าคนนั้นทําใส่เราคนนี้ให้โทษเราคนนั้นไม่ซื่อสัตย์กับเราคนนั้นลักของเราคนนั้นเบียดเบียนเราถ้าเราคิดพยาบาทก็คือพยายามจะแก้แค้น ถ้ามีอาฆาตเข้าไปอีกสักเดียวว่าอาฆาตพยาบาทอา้าวอันนี้มันเล่นอวิญชาเราตายสักวันหนึ่งเราจะเอามันตายเหมือนกันนี่เขาเรียวกว่าอาฆาตพยาบาทเราดำริไม่ไปต่อก่อนอย่างนั้นดำริในการไม่พยาบาทอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาณนะดำริในการออกจากการมดำริในความไม่เบียดเบียนดำริในความไม่พยาบาท มีเป็นออกมาดละเอียดนะถ้าเราจะมาศึกษาละเอียดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดทำให้เราเข้าใจกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านขมวยมาให้เราอยู่กับอารมณ์สงบนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือคือผ่าน<ม>วิธีการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมาหมดแล้วมาทําจิตมาสงบระงรับจิตให้จิตอยู่กับบทพุทโธพุทโธพุทโธ มันเป็นการเดินทางลัดที่สุดจากการไปเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนี่เราก็ถึงปัญญาปัญญาที่เป็นมรรคปัญญามา ก, ก่อนทีนี้สัมมาวาจานี่วาจ์ชอบสัมมากัมวันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้เป็นองค์ศินเป็นองค์ศินเราไปดูในสัมมาวาจาก็คือวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดโซเสีย ไม่พูดเพื่อนเจอไม่พูดจจหยาบคายสัมมาวาจาไม่พูดให้เกิดโทษตรงกันข้ามถ้าเราดูไปให้เห็นชัดพูดด้วยเบเมตตาเมตตาวะจีกรรมเมตตาให้เกิดความอ่อนนิ่มเมตตาวะจีกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดอยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอนี่เป็นสัมมาวาจา เป็นสั ม, มาวายาแปลว่าเจริจาชอบพูดชอบไม่พูดโกหกหมดเท็ปสัมมาวายาวาจาชอบสัมมากรรมมันตักกิริยาที่กายการงานชอบสัมมาวายาวายาชอบเพราะรูปมาทิการนำเรียนกุจิตพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราออกเสียงมันก็เป็นวาจาวาจาชอบ แต่เราไม่ออกเสียงข้างนอกเราออกเสียงข้างในหุดโทหุดโทหุดโถหุดโอยู่ข้างในอันนี้เป็นวาจาในภายในเป็นการดาผิชอบเป็นเป็นกายเป็นเป็นวาจาชอบการงานชอบก็คือการงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทัพย์ไม่ประพฤิในกาลไม่ดื่มสุราเม่ไรไม่ทำให้ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมือง อาชีพใดก็ตามผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองท่านถือว่าการงานไม่ชอบการงานไม่ชอบกับเลี้ย ok งชีวิตไม่ชอบน่าจะเป็นอันเดียวกันการงานไม่ชอบการงานที่ผิดศีลผิดธรรมแต่อาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมก็เป็นอาชีพที่ไม่ชอบการงานที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมจึงเป็นการงานชอบเป็นการงานที่เป็นไปนตามหลักของศีลของธรรมอ่า สัมมาอาชีวะคือเลียงชีวิตชอบท่านพูดถึงผูบาศกผู้ที่เป็นอุบาศกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระนรัตนตรยัยไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายมนุษย์ ถ้าอุบาสกอุบาสิกาคนใดยังค้าขายสิ่งเหล่านี้แม้หนึ่งเดียวคนนั้นยังยังไม่ได้ใกล้พระพุทธญาพระธรรมพระสงฆ์แทนนี่ท่านพูดไว้ละเอียดนะเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ชอบถ้าเราเลี้ยงชีวิตชอบถ้าเราเลี้ยงชีวิตชอบเราจะไม่ค้าขายสิ่งเหล่านั้นไม่ค้าขายเครื่องนักสัตว์เียเครื่องประหารสัตว์อ่าแล้วก็ไม่ค้าขายสัตว์เป็น ไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายอาวุธเราดูสิ่งเหล่านั้นมีแต่โทษทั้งนั้นถ้ายังค้าขายสิ่งเหล่านั้นท่านถือว่าเลี้ยงชีวิตผิดเลี้ยงชีวิตผิดเลี้ยงชีวิตที่ถูกตามตามมาในภ า, ายหลที่โลกตามพูดว่านนะีค่คือคือเลี้ยงชีวิตด้วยสินด้วยธรรม เอาสินธรรเข้าไปเลี้ยงหัวใจข้างในใจมีศินใจมีธรรมใจมีศิลใจมีสมาธิใจมีปัญญาคือรู้อย่างรล่อเลี้ยงจิตของเราองนะเป็นสัมมาคัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวาอันนี้เป็นองค์ศินนะองค์ศินมาที่สององสมาอง์องค์สมาธิมาอันดับสามองสมาธิประกอบไปด้วยอ <c oughs> สมาวายามะคือพยายามท่านพูดถึงพยายามวิธีการทำทั้งหมดเนี่ยมันส่งลงมาที่การเพียรการพยายามเราตั้งความเพียรความพยายามยังไงถึงจะถูกต้องตามอริยมรรงไปรยส้งวรประธานประธาน ภาวนาประธานอนุรักษณาประธา น, นนี่เป็นหลักโดยตรงเขามันเลยสังวรประทานคือระวังไม่จิตของเรานะปล่อยให้จิตของเราตัณหามันมาแทรกเข้ามาที่จิตของเราไปรักไปจังไปโกรธไปเกลียดไปดิจฉาไปริษยาไปพยายามบานปล่อยตกิเลมเข้ามาทะลักเข้ามาทับท่วมหัวใจของเราเป็นสังวอรสังวรคือระวงังระวังก็ถือใช้สติระวัง ใช้สติระหวังที่ระหวังสติสังวร อ, อินทรสังวรเอาสติเนื้อมากำกับอินทรีย์อินทรีย์คือตาจักขุนสีหูคือโสสะทินสีจักขุนสีสะทินสีจักขุนสีจักขุน ส, สีตาเห็นโรค สตถินสีสตถินสีสวาทินสีปันยินสีอินรียินสีทั้งหลายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก่านถือว่าอินรีอินสีห้าตาหูจมูกลิ้นกายมะนินสีใจความเป็นใหญ่อินรียคือความเป็นใหญ่ทางใจอินรีทั้งหลายเรานั่งแหละเราพยายามสังรวมระวัง ทางยินสีตาหูจมูกริมกายใจสํารมตาก็คือสํารวมใจสํารวมรูปก็คือสํารวมใจสํารวมหัวก็คือสํารวมใจสํารวมเสียงก็คือสํารวมใจสํารมจจมูกสําบรมกลิ่นสํารณ์ริมสัมสัมรมรสก็คือสํารวมใจสํารวมกายสํารม์คุณธรรก็คือสํารวมใจสํารวมธรรมารมก็คือสํารวใจเห็นไหย พราะเราอาใจดวงเดียวนี่เป็นผู้ทํางานอะไรจะเลื่อยใจไปอะไรจะพ้นใจไปไม่พ้นไม่เลยคือการสั่รวมสังวรท่าเรียกว่าสั่รวมสํารวมถ้าเรียกว่าสังวรสังวรประทานประทานแปลว่าความเพียรสังวรประธานประทานเพียรไม่บาปใหม่เกิดขึ้นเพียรละบาปเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วแล้วก็ประเภทภาวนาประธาน อนุรักษนาประธานเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดพยายามเจริญให้เกิดขึ้ น, นกุศลเก่าที่เคยทํามาแล้วมีมาแล้วสั่งสมมาแล้วพยายามรักษาเอาไว้ทั้งสี่อย่างนี้เราทําอย่างเดียวเท่ากับเราทําทั้งหมดเราพยายามภาวนาพุทธโทธพุทธโทธพุทธโทธพุทโธพุทโธที่เรียกว่าภาวนาประทานทนํากุศลให้เกิด เรายิ่งทํามากเท่าไหร่คือเมืนกเราทําผลทําเหตุมากเท่านั้นทําเหตุมากเท่าไหร่ผลติดตามมาก็มากเท่านั้นที่ยกว่าภาวนาประธานในขณะเดียวกันมันก็ปิดกั้นสังวรประธา น, านมันก็ประหารประทานคือละอิเลตไปในตัวภาวนาประธานในขณะเดียวกันมันก็เพิ่มของในเมื่อของให ม, ม่ไปเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มของเก่ามันก็ไม่มีช่องที่จะเลด่อนล่าออกไปได้ ภาวนาประธานอย่างเดียวอ น, อ น, อนุรักษณาประธานก็ใช่สังวรประธานก็ใช่ประหานประธานก็ใช่อันนี้คือความเพียรความเพียร น, นีเป็นองค์ประกอบของสมาธิสินสมาธิปัญญาแต่ในอ น, นิยมรรมีองค์แปดท่านเรียงปัญญาศิลสมาธิ ประธานในนี้เป็นองค์ประกอบประกอบให้เกิดสมาธิประธาน ส, สัมมาประธานสี่ที่จะพูดถึงสัมมาประธานสี่นะสติแล้วก็สมาธิสติกับสมาธิรวมกันเป็นสมาธิสมาธิในอริยมังงงไปประกอบด้วยสติสติมา สัมปชันโนอาตาปีสติมาคือมีสติสัมปชันโนคือตั้งใจทำความรู้รอบที่เรียกว่าสัมปชันโนอาตาปีก็คือใช้ความเพียรพระประคองใช้ความเพียรพระประกองเป็นต ป, ปัตทั้งหมดนี้เป็นองค์ของสมาธิองค์ของสติสัมมาสติคืออะไรเป็นอะไรสัมมาสติก็คือสติที้เรดึกชอ่อลไม่ใช่เราดึกชอ่อล เราไปขับรถเราไปฟันนุ่นไปล้างจานนั้นงถ้วยล้างอะไรอะไรทำนุ่นทำนี้ไม่ใช่สัมมาสติ odes. สัมมาสติสสที่แท้จริงท่านให้ท่านให้เราลึกถึงกายเราลึกถึงเวทนาระลึกถึงจิตระลึกถึงธรรมเอามากำกับที่กายเอามากำกับที่เวทนาเอามากำกับที่จิตเอามากำกับที่ธรรมซึ่งท่านเรียกว่ามหาสติปัฏฐานเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดก็คือ เป็นผลปรากฏของมหาสติปตฐานนั่นเองแต่มันมีเกล็ดใจมันพันกันอยู่ในนั้นพันกันอยู่ในนั้นทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของสติสติในองค์มรนะสติในองค์มรณะสติมาสติสติในสัมมาสตินั้นคือสัมมาสติระลึกชอบมาที่กายเราคำนวณเร า, าหายใจเข้ า, าหายใจออกพุโทโธพุทโธอันนี้ก็ เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานตามพิจารณากายตามระลึ ก, กายผู้ที่ตามทำงานก็คือสติโรคเป็นผู้ตามทำงานในการทำงานสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือประกอบไปด้วยสติมาสัมปชาโนโนอาตาปีระยะสมาธิในที่นี้เราดูไปเรารูไปสิมีความรู้ไหมมีปัญญายอยู่ในนั้นไหม ก็ตัวที่ทําให้เกิดสมาธิตัวทําให้เกิดปัญญาก็คือตัวสตินั่นเองมีสติมีสมัมผัันญะมีอาตัดปะความเพียรพระครับประคอความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาความเพียรเป็นเครื่องพระครับประคออันนี้คือมักมีองค์แปดเราพูดโดยโดยพิสดารเราพูดโดยโดยพิสดารถ้าเราจะแยกแยะคือหลักข้าสิ่งสมาธิปัญญา ถ้าเราพูามลาดับที่จำเรียงไว้ในอริยมรรคโยมแปก็คือปัญญาศีลและสมาธิแต่เวลาท่านมาเรียงท่านมาเรียงในแง่ของการปฏิบัติตามลําดับขั้นก็คือศีลมาก่อนสมาธิตามมาที่สองปัญญาตามมาที่สปัญญาตามมาที่สามเห็นไหมถ้าเรียนลําดับของอริยมรรคโยมแปดทำไมท่านต้องเอาปัญญาขึ้นก่อน เพราะคนเราถ้าไม่มีปัญญาสีนมันก็ไม่อยากได้สมาธิมันก็ไม่อยากได้ไม่ต้องพูดถึงปัญญาอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นคนไม่มีปัญญาอย่างเดียวธรรมะกินไม่ทันเขาไม่มีความรู้จิตใจมืนบอกคนไม่มีปัญญาเป็นคนขี้เกียจขี้คร้างเพราะมองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นว่าทำยังไงจะได้ซับเรามาเทียบกับการงานข้างนอก มองไม่เห็นว่าทํายังไงจะได้ซักบมองไม่ออกมองไม่ออกไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจำจำเป็นต้องมาก่อนปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิตปัญญาเป็นแสงสว่างของกายของพฤติกรรมของเราเราพยายามใช้พฤติกรรมกายกรรมวิญญากรรมวโนกรรมถ้าเราเอาปัญญานําหน้ามันจะเป็นการใช้ปัญญาที่ชอบ มันจะเป็นพฤติกรรมที่ชอบมันจะเป็นกายกรรมที่สะอาดวิญญากรรมที่สะอาดมโนกรรมที่สะอาดนี่เราพูดถึงปรักพฤติกรรมศีล ส, สมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาต้องมาทําต้องมาตั้งใจรักษาศีลเป็นเบื้องต้นเพราะศีล น, นี่มันสามารถกําจัดกิเลสหยาบได้กิเลสที่แสดงออกมาที่กายที่วาจา เราระงับได้ด้วยองค์ประกอบคือสินเพราะเราตั้งใจรักษาสินปั๊บมีข้อปฏิบัติต้องวิรัติต้องงดต้องเว้นเราสมทานไปแล้วสินห้าก็ตามศินแปก็ตามถ้าเราไม่ตั้งใจวิรัตไม่ตั้งใจงดไม่ตั้งใจเว้นไม่มีองค์ประกอบที่เรียกว่าสินไม่เป็นสินไม่มีเหตุที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องจึงไม่มีที่จะตามมาไม่มีผลไม่มีอนิสงส์เปล่า สู้คนก็อยู่เฉยๆไม่ได้สมาทานอะไรไไแล้วสมาทานถ้าเราไม่วิรัติไม่งดไม่เงินไม่มีอะไรสมตามมาเห็นของก็ตกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคุณค่ามีราคาถ้าเราได้ไปแล้วนี่เราจะได้ไปใช้สอยได้ท่านั้นได้ท่านี้โอ้ยช่วยเราไปได้สักระยะหนึ่งดูนู้นดูนี้ดูไม่เห็นมีใครหยิบเอามาใช้เฉยนี่มีไถยยะจิตมีไถ่ยะจิตตั้งใจรักษาศีล แต่ไม่มีรักไม่ไวดไม่เห็นหรือไม่เห็นของคนอื่นอยู่ในที่ที่เราพอจะหยิบได้พอจะฉวยได้เฮ้ยถ้าเราหยิบได้ไปเราได้ใช้ไปตั้งหลายวันเห็นใบร้อยเห็นใบพัน่างเงี้ยก็หยิบเอาเฉยเลยเห็นของมีค่ามือถืออะไรอะไรเนี้ยหยิบเอาเวยเลยเงี้ยมีทัศยคิคิดจะเอาเงี้ยนี่คือไม่มีสิ่งพอมีมสิ่งเหล่านั้นมาล่อปัก อดทนทนไม่ไหวยิ้เอาไม่มีกชวนไม่มีอานิสงส์ถ้ามีอันนี้ถ้ามีอานิสงส์เนี่ยมันจะระลึกได้โอ้เราตั้งใจรักษาสิลเราทํานั้นไม่ได้เราทําำนั้นเราสินเราขาดไม่ยิ้ไม่ชวนไม่เอาของเหล่านั้นก็ไม่หายเพราะเราเห็นไหมของของเขาไม่ได้หายเพราะเราโดยด้วโดยเหตุที่เราไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้อง ใครจะรู้ใครจะเห็นเป็นโอกาสสำหรับใครก็เรื่องของเขาแต่สำหรับเราเราไม่หอาเพราะผิดศีลนี่คนนี้เอาตัวรอดได้แต่ถ้าหากใครไม่ไม่งดไม่เว้นเวลาไปเจอในเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินแบบนี้งดไม่ได้เว้นไม่ได้อืคนนั้นไม่ตั้งใจบริรักไม่ตั้งใจงดไม่ตั้งใจเว็นถือศีลเฉยแต่ไม่มีอันดิสงถ้ามีอันดิสงก็คือไม่ฆ่า่วก เราร่วมปาปของเหล่านั้นของเขาถูกขโมยของก็เสียของก็หายสามีภรรยาของใครก็ตามให้ท่าเร า, อาเอาขยามาตรงนี้สนับโอ้เราถูอสินสินอากระชัยสินเป๋ก็ใ ช, ใช่เรางดได้เราเว้นได้เราละได้ระหว่างหน้านี่คนนี้ไม่สร้านีมีผลมีอริอสง ท้าทายเหลือเกินท่าทายเกินอดรนทนไม่ไหวช่างมันช่างมันแน่อดไม่ได้เวลามีมีของแบบนั้นมาท้าทายอดรนทนไม่ได้ขาดช้างมันขาดช้างมันนี่ไม่มีอานิสงส์ถ้าเราตั้งใจอดปั๊บมีอานิสงส์แท่ที่เราจะผิดศีลเราก็ไม่ผิด ที <Jub ilee> แต่ท hmm, ี่จะเอาฟืนเอาไฟมาใส่ครอบครัวเราครอบครัวเขามันมีอันนี้สองไม่ต้องเอาฟืนเอาไฟมาใส่ครอบครัวเราครอบครัวเขาครอบครัวเราก็พลอยมีความสุขมีความชุ่มเย็นเหมือนเดิมครอบครัวเราก็ไม่ครอบครัวเขาก็ไม่เป็นเหตุให้ตำหนิเช่นอย่างเขามีสามีแล้วเขามีภรรยาแล้วพอเราไปทําอำแบบนั้นปั๊บสีน่องขาดนอกจากสีน่องขาดแล้วอืม ไฟมันก็เผาหัวเรานะ า, าะเผาหัวใจทำให้ครอบครัวเขาไม่สมบูรณ์ทำให้ผู้ชายคนนั้นไม่สมบูรณ์ผู้หญิงกไ็ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะผิดศีลเนี่ยเวลามันมีเครื่องท้าทายเอาตัวรอดได้คนนั้นมีอานิสงส์มีอานิสงส์นี่เราพูดถึงอะไรนยใครคิดหรอบ้างเราพูดถึงเรื่องอะไระเราพูดถึงเรื่องอะไร เราพูดถึงเรื่องสินสิลต้องมา ก, ก่อนจากนั้นแล้วกิริยาเขาเกี่ยวกัจับยาบไม่แสดงออกมาที่กายที่วัจจามันเป็นการระงับกิเลสที่เรียกว่าปาริยุทธฐานกิเลสกิเลที่มันมันกล้ม ล, ม, ลมใจทับซ้อนทับซ้อนทับซ้อ น, ท, อนทับซ้อนเข้าไปทับถมใจเข้าไปจากนั้นจากนั้นแล้วความเร่าร้อนในใจมีโยม มันนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเราต้องเอาสมถะมากำกับนีตามมาคือสมาธิคือปัญญาศินสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าท่านงวางไว้ให้เราปฏิบัติตามลําดับขั้นไม่ตัง้งใจรักษาสินจริะสมาธิได้ไหมเจริ่นได้แต่มันไม่สงบเพราะเราไปสร้างปัญหาเรื่องการผิดสีนเนี่ยมันก็เลาร้อนเป็นฟืนเป็นไฟยืนก็เผาเดินนก็เผานะ เป็นั่งภาวนาภาวนาแต่ปากให้เยอะความผิดศีลตัวนั้นอนะ่ะมันเผาเราสงบได้ไหมสงบไม่ได้เนี่ยไหมเราพิจารณายอย่างนี้ศีลนี่เกื้อกูลกับสมาธิไหมเกื้อกูลกับสมาธิพระยัุ้บวิญาณท่านจึงพูดว่าศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาศีลหนุนสมาธิมันหนุนอยู่นี้ เราไม่มีสินเราตั้งใจภาวนาสงบมันไม่สงบเพราะความเร่าร้อนที่เป็นฟืนเป็นไฟจากการผิดสินถ้าเราตั้งใจไปภาวนาให้จิตได้รับความสงบเรามอง เ, เห็นโทษตรงนี้ทําให้เราสํารวมระมัดระวังโดยอัตโนมัติโอ้เมื่อก่อนเราเคยผิดสินข้อนั้นข้อนั้ น, อ น, น, อ น, นตอนนี้เราตั้งใจภาวนาเราอยากใจสงบเป็นเหตุให้เราได้สํารวมระมัดระวังเรื่องกายกรรมเรื่องวิจีกรรม มันเป็นการสํารวมได้สินไปในขณะเดียวกันไม่ใช่เรากระโดดข้ามขั้นมาแล้วว้าปฏิบัติข้ามขั้นปฏิบัติข้ามขั้นไม่ใช่สมมติเราไม่ค่อยได้ตั้งใจรักษาสินเราก็โดนมาสมาธิแล้วมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาเข้าไปที่สมาธิิสมมาสังกปะพิจารณาเข้าไปสมันเป็นเรื่องของปัญญา เสร็จแล้วมาเห็นท่อแกันไม่มีสินโอ้เราอุตส่าห์ตั้งใจภาวนามาถึงขนาดนี้ด้วยเหตุที่เราไม่มีศิลจิตใจของเราไม่สงบคราวหลังเราเคยล่วงข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นทาให้เราสรํารวมระมัดระวังได้โดยอัตโนมัติเห็นไหมมีอันนี้สองไหมการที่เรากระโดดไปไปทำงานที่สูงกว่าเพราะเราอยากสงบผลของความสงบนี่เราอยากได้อยากได้ให้จิตสงบแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยสร้างผิดสินข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้น ต่อไปนี้เราจะวิรักจะงดจะเว้นเดือดขาดแน่งดได้เว้นได้นี่มันมีส่วนทั้งทั้งที่เรายังไม่ทําเรายังไม่ทําใจเราเม่เดือดร้อนที่เรามาทํามาแล้วเราก็เห็นเห็นโทษของมันแล้วก็วิรักได้งดเว้นได้นี่สีนห น, นสมาธิสมาธิหนุนปัญญาทําไมสมาธิจึงหนุนปัญญาได้เพราะสมาธิคือจิตสงบ เมื่อจิตเริ่มสนุกจิตเริ่มเป็นตัวของตัวถ้าจิตไม่สงบเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุโธจิตมันไม่สงกไม่สงกมันก็ไม่เป็นสมาธิต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิเรามาพิจารณาทางด้านจารณาทางด้านปัญญาแต่จิตมันอิ่มแล้วอิ่มรูปอิ่มเสียงอิ่มกลิน่นอิ่มรสอิ่มสัญญาอารมณ์จิตมันอิม่มจิตมันอิ่มแล้ว เราเอาจิตมาใช้อะไรเอามันทำอะไรจิตนก็พร้อมที่จะทำงานได้เต็มที่นี่เพราะฉะนั้นสมาธิจึงหมุนปัญญาเวลาเรามาเจริญปัญญาเรามีภูมิของสมาธิเราแน่นหนามันคงเท่าไหร่ปัญญาของเราก็จะออกรชาติมากเท่านั้นสัจธรรมที่จะพึงปรากฏในหัวใจดวงนั้นไปเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นมากไปเท่านั้น ศีลจึงหนุนสมาธิสมาธิจึงุนปัญญาปัญญาหนุนความวิมุตติความหลุดความพ้นจากเกลียดตัณหาอาสวะในหัว ใ, ใจของเราตามหลักอริยมรรคโยมเปรตเราจับได้อย่างไรในการทํางานเราจับไปที่สังวรประทานประธานประทานหรือไม่จับที่ภาวนาประทานอนุรักษนาประทานใช้วิริยะใช้ อ, อ, ชอุสหาหกรรมจดจ่อหมุนกันอยู่ตรงนี้เลย อันนี้คือเป็นเป้างานเป้าของงานสามารถตั้งตัวได้ตั้งแต่ปัจจุบันทันดนเดียวนี้ขยับเดินหน้าเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นการตั้ง ต, งตนชอบตั้งอารมณ์ชอบตั้งจิตไว้ชอบตั้งสติไว้ชอบตั้งปัญญาไว้ชอบเราสามารถเดินไปได้เราสามารถเดินไปได้อ่ารู้สึกว่า เราพูดมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพวกเราก็นั่งภาวนาเป็นชั่วโมงกันนะพวกเราก็นั่งภาวนาเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้เรานั่งตั้งใจภาวนาโดยที่ไม่มีเสียงข้างนอกมารบกวนโดยที่ไม่มีเสียงข้างนอกมารบกวนให้เราตั้งใจภาวนาจากนี้ไปเป็นระยะเวลา อย่างน้อยสัก40นาทีเดี๋ยวนี้เป็นเวลา3ทุ่มเราเภาวนาไปเป็นเวลา40นาทีเหลือ20นาทีสลับถามข้อข้องใจจดหมายแล้วก็ตอบมีคำถามคำตอบเอาต่ออย่างนี้ไปงดเสียงให้ทุกคนสํบระมัง ใจของตัวเองตล่อมก็มาเพื่อความสงบอย่างเดียววิชา พ, พิจารณาตามหลักมหสถิปิปฐานก็เอาให้เต็มที่ของไขของเราเห็นขยับกันเรื่อยก็แสดง ว, ว่าเราคงไม่ได้ต่อสูข้ของเวทนานะันะจากนี้ไป40นาทีไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนลองพิจารณาตามหลักมหสติปิปฐานลองดูอา้าวงดเสียงตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนกว่า จนกว่าจะถึงเวลาสามทุ่มสี่สิบอหลือยี่สิบนทีเพื่อการถามตอนั่งตรงตรงจ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาอ่า ถ้าแบบหมอเขาไปฝึกสมาธิที่ญี่ปุ่นเนี่ยนั่งหันหน้านั่งหันหน้าเขาหาฝาอาจารย์เดินถือไมเรียวเดินถือกระ บ, บอกข้างหลังเอียงสะหน่อยหนึ่งกับโป๊กสะพงกไปข้างหน้าข้างหลังนิดหน่อยกับป๊ะโป๊ะแล้วต้องขอบคุณด้วย <laughs> โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคือจะตื่นโร่เลยนะสะพงกป๊ก พกขอบคุณขอบคุณผู้ตีนะผู้ถูกตีเนี่ยต้องขอบคุณผูต้ตีอาจารย์เดินถือกระบองข้างหลังเอาเราก็ลองสมมติดูว่าอาจารย์เดินถือกระบอกข้างหลังก็แล้วกันสับฟงอกกระโกง <c oughs> <c oughs> สงสัยอาจารย์จะโดนเสเองนันี่นะอือ <c oughs> <c oughs>